ทรงจินตนาการอย่างลึกซึ้งถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปเพียงครู่พระองค์ทรงเศร้าสลดพระทัยอย่างยิ่งในพระอาการของพระนางติสยรักษิตาพระองค์ทรงเศร้าสลดพระทัยอย่างยิ่งในพระอาการของพระนางติสยรักสิตาจะไม่ให้พระองค์ทรงสลดพระทัยกะไรได้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 แต่พระองค์ต้องสัญญาว่าจะไม่ยอมให้แพทย์ทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการรักษาพยาบาลครั้งนี้พระเจ้าอาโศกทรงอนุญาตพระนางติดสรักศิตามีความรู้ทางแพทย์หรือเรื่องนี้เข้าใจไม่ยากพระนางทรงเป็นถึงมเหสีองค์โปรดของพระราชาการที่จะเรียกแพทย์มาปรึกษาแล้วให้เขานำยามาถวายพระนาง